เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่อย่าให้มันส่งไปข้างนอกความจริงน่ยมันเราปล่อยจิตใจนี้ให้เล่ร่อนมาในสงสารมันนับชาติไม่ท่วนแล้วมันก็ค้นทุกข์ไปไม่ได้ ต้องทบทวนดูให้ดีเมื่อเรามาได้พบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐเช่นนี้แล้วพ็ควรที่จะทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในบทพระธรรมคุณข้อที่ว่า ตวาขาโตภะควตาธรรมโมพระธรรมที่พระูพภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิธิโกผู้ปฏิบัติยอมรู้เองเห็นเองโอปนยญิโกควร น, น้อมพระธรรมเข้ามาสู่ตนทุกเมื่อ ควรเรียกร้องให้ผู้อื่นมาดูได้พระธรรมนั้นย่อมมีอยู่เสมอไม่อ้างการอ้างเวลาบุคคลมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้วย่อมรู้แจ้งไปจักด้วยตนเอง อนนี้พระธรรมคุณเรียว่าพระคุณแห่งพระธรรมพระธรรมนั้นย่อมมีคุณต่อผู้ปฏิบัติตามดังกล่าวมานี่คือผู้ปฏิบัติตามนะย่อมรู้เองเห็นเองขึ้นมาเลยเช่นอย่างว่า ผู้ปฏิบัติในทานอย่างนี้นะผู้ลงมือให้ทำบุญให้ทานวัตถุสิ่งของที่ต้นพอที่จะให้ได้เมื่อให้ทานไปแล้วผลที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใสทำให้ได้ปีติยินดี ในการกระทําของตนนั้นเพราะมองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับจริงๆเช่นอย่างให้ข้าวน้ำอะไรมื่อนี้เป็นทานไปผู้ที่รับทานจากตนไปนั้นเขาก็ไปรับประทานเขาก็มีอายุสืบต่อไปได้ชั่วระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นการให้ข้าว ก็เชงเท่ากับว่าให้ชีวิตเป็นทานก็ว่าได้เมื่อพิจารณาเห็นเหตุผลของการให้ดังกล่าวมานี้แล้วก็จะได้เกิดความปีติในใจว่าการให้ทานของเรานี้มีผลมีประโยชน์จริงไม่เสียผลเสียประโยชน์อย่างนี้นะ นี่แหละมันก็เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองเลยในการให้การบริจาคทานเนี่ยไม่ต้องไปถามผู้อื่นว่ามีอา น, นิสงส์อย่างไรแล้วมันก็ให้ผลอยู่เรื่อยไปเมื่อนึกถึงเวลาใดก็ได้ความอิ่มใจความอุ่นใจไปอันผลทานนั้น ก็ยังได้ให้ผลเป็นสุขใจสบ า, ายใจถึงขั้นนี้ถ้าเมื่อมารักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปอีกอย่างนี้ผู้ใดอยู่ในเพศไหนภูมิไหนก็รักษาศีลอยู่ในเพศในภูมิของตนนั้นให้บริสุทธิ์เห็นเป็นพระภิกษุสามเณร ก็พยายามสำรวมระวังในศินในวินัยที่ตนได้สมทานมาแล้วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงเกินเป็นคฤหัตผู้คลองเลื่อนก็สำรวมในวินัยที่ตนได้สมทานมาแล้วเช่นผู้รักษาสินห้าได้สมทานศินห้าจากพระ ไปแล้วก็ต้องพยายามรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ร่วงเกินโหเป็นอุบาสกบาซิกานุ่งขาวห่มขาวรักษาศินแปดเช่นนี้ก็พยายามรักษาสัมรวมให้บริสุทธิ์อย่าให้มันด่างมันพร้อยอย่าให้มันขาดอเช่นนี้ก็ นับว่าจะเป็นผูใ้ใดความอุ่นใจมากทีเดียวแหละเมื่อผูใ้ใดได้รักษาให้บริสุทธิ์แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบาปมีจริงมุนมีจริงอย่างนี้แหละโลกหน้ามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงอย่างนี้พะนิพานมีจริง มันิบคุคคนใดกระทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นตายแล้วก็จะไปตกนรกผู้ใดเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นต้นตายแล้วก็จะไปเกิดสวรรค์มีสวรรค์เป็นที่ไปดังท้ายคำให้สินว่าศีเรณสุขติญยันติผู้มีสินบริสุทธิ์และจักไปสู่สุคติโลกสวรรค์ สีเลนะโกคสัมปท า, าผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วจักสมบูรณ์ด้วยโภคะสมบัติอันเป็นทิพย์สีเลนานิปูติยันติผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วจักบรรลุถึงถึงพระนิพพานตัดสม า, เ, าเหตุนั่นสีลังวิโสทะเพึ่งชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ดังนี้ พระศาสดาทรงแสดงอนิสงส์แห่งการรักษาศีลไว้สามารถให้บรรลุถึงถึงพระนิพพานนุ่นก็แ น, น่นอนแหละข้อนี้ควรพากันใขค้ควรพารนาให้ดีเมื่อบุคคลเป็นผู้สำรวมในศีลด้วยดีไม่ทำบาปแล้วตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปตกนรก ไม่ได้เป็นเปรตไม่ได้เป็นอสุรกายไม่ได้ไปเกิดในคำเนิดสัติไรฉานมีแต่บ่ายหน้าสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้าเลยไปพอหมดอายุจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดโลกนี้กลับมารักษาศีลมาทำบุญให้ทานไปไม่ทำบาปอย่างนี้นะ ตายแล้วก็ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์อีกในเมื่อบุญบา ร, รมียังไม่เต็มบริบูรณ์หมดบุญวาสนาในสวรรค์แล้วก็กลับลงมาเกิดโลกนี้อีกมาสร้างบา ร, รมีให้เพิ่มพูนบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อบุญกุศลเต็มบริบูรณ์เมื่อใดก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อนั้น เนี่ยที่ผพ้ทีเจ้าทรงสัตวตัวเมื่อเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วย่อมบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้เน่นหมายความว่าบุคคลผู้ไม่มีกรรมมีเวรอันชั่วร้ายติดตามสนองให้เป็นทุกข์เปือดร้อนไปในสงสารนี้ก็ย่อมสามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลบารมีให้เต็มได้ง่ายหมายความว่าอย่างนั้น เมื่อบุญบารมีมันเต็มลงไปแล้วนี่มันมันหักกรรมจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ในตัวเลยทีเดียวเนี่ยลังในตำราท่านกล่าวไว้เกี่ยวกับประวัติของพระสาวกในสมัยครั้งพุทธเจ้านั้นพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพุทธเจ้า จบลงเท่านั้นแหละก็ได้บรรลุอรหัตตาผลมีอยู่มากมายบางพวกวางเหล่าก็แสดงธรรมเพียงแต่พระคาถ า, าเดียวเท่านั้นจบลงก็ได้สาเร็จอรหัตตาผลแล้ว mm hmm. ที่ท่านได้บรรลุมรกผลธรรมวิเศษได้ง่ายเช่นนั้นก็เพราะว่าท่านสร้างบารมีมาเต็มบริบูรณ์แล้ว เหมือนอย่างดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นจากน้ำแล้วคอยแต่รับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นแหละพอได้รับแสงพระอาทิตย์เท่านั้นก็บานเลยอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละท่านผู้สร้างบา ร, รมีเต็มบริบูรณ์แล้วจิตใจของท่านสูงเด่นขึ้นมาเต็มที่แล้วไม่มีบาปอากุศลอันใด ข้องค้างอยู่ในจิตใจเลยมีแต่บุญกุศลล้วนๆดังนั้นแหละพอพระ อ, องค์เจ้าแสดงธรรมให้ฟังเพียงนิดหน่อยเท่านั้นก็หลุดพ้นไปได้เลยอันนี้มันเป็นธรรมเนียมของผู้ที่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าคือผู้ผู้ไม่ได้สร้างบา ร, รมีปานาเป็นพระพุทธเจ้า ผู้สร้างบารมีเป็นพระสาวกผู้สร้างบารมีเป็นพระสาวกเนี่ยแม้ว่าผู้นั้นจะทําบุญกุศลให้เต็มเปี่ยมพันใดก็ตามถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมคําสอนของพุตรเจ้าเสียก่อนแล้วไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคธรรมวิเศษได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็น ทำเนียมมาอย่างนั้นเป็นกฎธรรมดามาอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านผู้สร้างบา ร, รมีปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าเชนีนั้นอันนั้นพระองค์ท่านไม่ต้องไปได้ยินได้ฟังกับใครมาเลยพระองค์ทรงค้นคว้าหาทางตัดสุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองอันนี้ก็เป็น กฎธรรมดาของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายในโลกนี่แหละควรจะพากันเข้าใจอันวิถีชีวิตของคนเราตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้เร็วนั้นข้อที่ว่าสุขโขปุญญัสะอุจเยโย การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้นี่เป็นเครื่องขอแสดงให้เห็นแล้วว่าบุคคลที่จะได้ประสบความสุขในขั้นใดๆก็ดีนับแต่ขั้นต่ำนี้หละขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุ ด, สดคือพระนิพพานก็เพราะอาศัยการสั่งสมบุญนี้เองตามพระพุทธภาสิีนี้ทีนี้กลงกันข้ามนะ ทุกโขปาปต ะ, ะอุเยโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์เนี่ยก็เป็นอันได้ความว่าบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในสัตว์ทั้งปวงนั้นนะมันเกิดเพราะการกระทำบาปเป็นมูลเหตุให้บุคคลได้เสวยทุกข์ทนทรมานมากบ้างน้อยบ้างตามกำลัง แห่งบาปกรรมที่บุคคลกระทำนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นมาทำให้คนเราเป็นทุกข์อย่างที่ความเห็นของลทัทธิอื่นซึ่งมีความเห็นว่ามีเทวดามาลงโทษเอาบ้างมีทรามหาพรหมมาลงโทษเอาบ้างอย่างนี้นะมีพวก พูดผีปีชาิมารงโทษเอาบ้างคนบางคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงซึ่งความวิบัติกระทันหันบางครั้งบางคราวอย่างนี้พวกัา ท, ทีอื่นบางฤาทีเขาก็ถือว่าไปทำผิดพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีอย่างใดอย่างห น, นึ่งเนี่ยถูกพระภูมิเจ้าที่เล่นงานเอา ถ้าไปอย่างนั้นความเห็นของลทัทธิอื่นสำหรับในพระพุทธศาสนานี้แล้วไม่ได้ทรงแสดงอย่างนั้นเลยหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสอย่างนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าสัพเพสตาก ร, รมัสกากรรมทายาธาเป็นตน้นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน เป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำนั้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแหละเราเป็นชาวพุทธเนี่ยไม่ควรที่จะไปสงสัยลังเลในชีวิตชีวิตนี้มันเป็นมาด้วยอำนาจแห่งกรรมคือการกระทำของตัวเองในอดีต น, นจนมาถึงปัจจุบันนี้แหละแล้ว แต่จับเป็นไปในเบื้องหน้าน่นก็อาศัยการกระทาในปัจจุบันนี้แหละจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปในเบื้องหน้าก็ดีถ้าตนกระทาดีละชั่วในปัจจุบันนี้ได้ตนก็ไม่มีบาปกันกรรมอันชั่วร้ายติดตามไปก็จะมีแต่บุญกรรมอันดีงามติดตามไปตกแต่งความสุขความเจริญให้ ในพบในชาติต่อไปถ้าว่าผู้ใดบาปก็ทําบุญก็ทําอย่างนี้ น, ะนั่นเนี่ยมันก็ติดตามไปสู่โลกหน้าทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ว่าถ้าอย่างใดมีกำลังมากกว่าสิ่งนั้นก็ย่อมให้ผลก่อนถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาสนี้นะบุญมันก็ ให้ผลก่อนหาไปเกิดที่สุขสบายเอา้าบาปมันก็ติดตามไปอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันให้ผลยังไม่ได้เพราะว่ากำลังของบุญกุศลมันมันเหนือกว่ามันก็ต้องให้ผลไปก่อนทีนี้พอหมดกำลังของบุญกุศลนั่นลงเมื่อใดบาปมันก็ให้ผลได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่า คนบางคนนะ่ะอยู่เย็นเป็นสุขดีๆมาอยู่นี่นะอ่าปุ๊บปับเกิดอุปติเหตุอย่างไดอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยเช่นอย่างนั่งรถไปก็ลดคว่ำตายโหงกันเลยอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าบาปกรรมที่ผู้นั้นทำมาในชาติก่อนนั่นนะ่ะมันได้โอกาสแล้วบุญของผู้นั้นที่ทำมามันหมดลงอนะ่ะบาปให้ผลสืบต่อบาปอย่างร้ายแรงนะ ท่านเรียกว่าอุปคาธกรรมกรรมตัดรอนนะมันทําลายชีวิตเอาลงในปัจจุบันทันด่วนเลยอออย่างนี้แหละกรรมบางอย่างที่ท่านเรียกว่าอุปปีรากากรรมกรรมมันบีบคั้นให้เจ็บให้ป่วยให้วิบัติไปทีละเล็กทีละน้อยไป อ้าว เ, เจ็บป่วยลงจำมากถ้าจริงจริงก็ไม่มากจะหายก็ไม่หายอ่าก็ทนทุกข์ทรมานไปอยู่อย่างนั้นแหละจะตายก็ไม่ตายอย่างนี้เ่าเรียกว่าอุปปีร ะ, ะกะกรรมกรรมบีบคันนี่เป็นอย่างไงเราต้องทบทวนดูให้ดีเรื่องนั้นแหละความ เป็นมาและความเป็นอยู่ของมนุษย์เราเนะ่ะจึงไม่เหมือนกันนั่นแหละก็เพราะว่าต่างคนต่างทากรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาเออข่าวใดกรรมดีให้ผลก็มีความสุขความสบายไปแต่ถึงข่าวใดกรรมชั่วให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปจนกว่าจะหมดผลแห่งกรรมชั่วเหล่านั้น ถ้ า, าววาบุญมีบุญนั้นก็จะให้ผลสืบต่อถ้าหมดบุญแล้วก็อย่างว่าก็เล่ร่อนไปตามกรรมแหละด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้เองแหละองค์สมเด็จพระพุทธยวภาเก่าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทพยายามละก ร, รมชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดไปสิ้นไปได้ ยิ่งดีหลายแล้วมันจะได้ตั้งหน้าตั้งสมตั้งแต่บุญกุศลล้ลวนรวนให้เกิดมีขึ้นในตนเรื่อยไปแล้วบุญกุศลนั้นมันจะได้เต็มเร็วเข้ามาัหนี้เพราะมันไม่มีบาปมาแทรกแซงอันบุญนี้นะมีแต่ส่งเสริมจิตใจให้อ่อ ยินดีในความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ให้ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวบุญที่สั่งสมโดยโดยถูกทางนะเรียกว่าการบำเพ็ญบุญกุศลให้มันครบวงจรนะ่ะเหมือนอย่างภาษาสมัยใหม่เขาพูดนะทำยังไงบำเพ็ญบุญกุศลครบวงจรนะ่ะอ้าทานก็ให้ รักษาศีลก็รักษาภาวนาก็ภาวนานี่เรียกว่าเราบำเพ็ญไปพร้อมๆกันไปเลยรักให้ทานก็หมายความว่าเรามีเมตตาจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่เสมอทุกวนันทุกวันไปที่เมื่อได้โอกาสที่ควรจะ สละเขาขอเงินทองของตนที่มีอยู่ให้เป็นทานเมื่อใดเวลาใดเราก็สละออกไปเช่อนอย่างเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลาบากอย่างนี้นะคนนั้นเขาตกทุกข์ได้ยากจริงๆไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาแกล้งทำเมื่อเห็นเขาแล้วก็เอ็นดูสงสารมีอะไรก็ให้กันไปสงเคราะห์กันไป อันนี้เร้ว่าให้โดยอาการสงเคราะห์โดยจิเตเมตตาโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเมื่อผู้นั้นนะ่ะกรร ม, มวิบากที่ตนทำมาแต่ก่อ น, นันมันมาให้ผลเอาให้ได้ถึงซึ่งความวิบัติอะไรขึ้นมาอย่างนี้นะแทนที่ว่าจะไปแช่งซ้ำนั่นไม่เอาผิดทำเป็นกรรมถ้าเห็นใครทุกข์ทุกข์ได้ยาก เกิดอุบัติเหตุแล้วแงทงซ้ํานะเป็นบาปก็ต้องต้องตั้งความเมตตาเอ็นดูสงสารขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าคนนั้นมีประวัติอันชั่วร้ายมาก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาอันความชั่วนั่นน ะ, ะแต่ว่าไอ้ความเอ็นดูกรุณา์นี่เป็นหน้าที่ของเราผูกเปี่ยมไปด้วยเมตตาทำการุณาธรรมที่จะต้องเอ ที่จะต้องแสดงออกต่อบุคคลทุกประเภททั้งคนดีและคนชั่วเ อ, อนี่นะให้เข้าใจอันอันความวิบัติความชั่วร้ายทั้งหลายนะั่นให้เป็นเรื่องของเขาไวปเออเราต้องคิดอย่างนั้นอันความเอ็นดูสงสารความช่วยเหลือก็คุณเอาเป็นหน้าที่ของเราผู้เปลี่ยนไปด้วยพคุณธรรมดังกล่าวมานั้น อันนี้หละคำว่าเมตตาในพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าเมตตาแบบอปปัมปัญญาคือแผ่ไมตรีจิตคิดใ้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูโดยไม่มีประมาณเลยว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเป็นอยู่ในโลกสรนีวาทอันเนี้ยในภพทั้งสามเนี่ย กรรมภพก็ดีรูปภพก็ดีอรูปภพก็ ด, พกดีหมู่นี้นะเราต้องแผ่ส่วนบุญกุศลความดีที่เรากระทานี้ให้แกสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูโดยทั่วไปเลยไม่มีประมาณนะอย่างนี้น่ะท่านจึงเรียกว่าเป็นเมตตาอภมัญญา อ่าเป็นเมตตาในพระพุทธศาสนาเมตตาอย่างนี้แหละเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้จิตใจของตัวเองนี่นะสร้างความโกรธความพยาบาทให้เกิดให้มีขึ้นอ่าให้ความโกรธความพยาบาทมันน้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจถ้าหากว่า ไม่ไม่เจริญเมตตาทำกรุณาธรรมดังกล่าวมานี้แล้วมันก็จะไปเลือกที่รักผักที่ชังอไปอย่างนั้นแหละเรารักคนใดก็จึงค่อยเมตตาเอื้อเพื่อเพื่อแผ่แก่คนนั้นถ้าเกลียดชังคนใดมาแล้วไม่เหลียวแลเลยมันจะเป็นทุกข์เป็นยากมันจะล้มจะตายก็ช่างมันไอ้อย่างนี้นี่มันไม่ถูกต้อง ตามธรรมนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพิ่งพากันเข้าใจนี่แหละการให้ด้วยจิตเมตตาอย่างหนึ่งแลเมื่อเรานึกถึงว่าท่านผู้ใดเป็นผู้มีคุณแก่ตนเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์ลุงป้านาอาผู้ใดอุปการะเลีย้ยงดูท ช่วยพ่อแม่มาก็ชื่อว่ามีอุปการะคุณหรือพระราชามากริยัเจ้านายผู้ใดปกครองประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขอะไรพวกนี้นะล้วแต่เป็นผู้มีคุณต่อตนทั้งนั้นดังนั้นการที่ตนได้สละเงินทองเข้าของออกไปให้แก่ท่านดังกล่าวนามมาเนี่ยชื่อว่าให้โดยบูชาพระคุณ ของท่านผู้มีอุปการะแก่ตนทีนี้เมื่อการให้การบริจาคมีอย่างนั้นแล้วความเบียดเบียนกันมันก็มีไม่ได้เลยเมื่อเราแผ่เมตตาจิตไปทั่วในสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วอย่างนี้นะมันจะไปฆ่าได้ยังไงเอ้ยเราในเมื่อจิตเรานั้นมีแต่ความปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นถูกทั่วหน้ากัน มันก็เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ได้เลยก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลเมื่อมีศีลแล้วก็ที่จะรักษาทานวัตรศีลวัตรต่างๆเหล่านั้นให้สม่ำเสมอไปได้ก็ต้องอาศัยภาวนาตามรักษากจิตของตนไม่ให้มันตกไปในทางบาปอากุศล เมื่อตนทำใจให้สงบอย่างไรในเวลานั่งสมาธิภาวนาอยู่แล้วอย่างนี้นะแล้วก็ออกจากสมาธิภาวนานะีมาก็พยายามมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตที่ตั้งมั่นลงไว้นั้นให้มันตั้งมั่นต่อคุณบุญต่อคุณทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้นให้สม่าเสมอไปอันนี้เ ร, เรียกว่าเราบาเพ็ญกุศลอยครบวงจรนะให้เพึงเข้าใจ เมื่อบำเพ็ญได้อย่างนี้นะบุญกุศลที่กระทาบำเพ็ญมาก็ไม่สูญไม่หายไปไหนเลยเราทํามาเท่าไหร่ก็จะมีอยู่เท่านั้นแล้วก็ยังดึงดูดให้กระทํากุศลความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่ามันมีบุญกุศลที่เราสั่งสมมานั้นหนูนเนื่องกิจใจให้พอใจในการบําเพ็ญบุญกุศลเรื่อยไปเออมันบุญกุศลหัก ดนบันดาลให้เราฉลาดให้เรามีปัญญารู้ว่าบุญที่เราทำมานี่ยังน้อยไปยังไม่พอยังไม่เต็มมันถักบอกอยู่ในตัวนั่นแหละอย่านอนใจอย่าประมาทนี่ถ้าบุญเรามีจริงๆนะเราได้สั่งสมมามากจริงนะบุญกุศลก็จะเตือนจิตให้ไม่ประมาทนะให้รีบเร่งสั่งสมบุญกุศลเรื่อยไปทีเดียว กระกอบความเพียรไม่เห็นแก่หลับแกนอนทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็สำรวมตนอยู่ในกุศลคุณงามความดีเรื่อยไปคุณงามความดีอย่างสูงขึ้นไปก็ได้แก่การสำรวมงานความรู้ที่เราบำเพ็ญให้เกิดให้มีนั้นไว้ให้มันเื่อมเลย อองานความรู้ที่มองเห็นธาตุสี่ขันห้า 4, ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเนี้ยก็สํารวมระวังรักษางานความรู้อันนี้ไว้ให้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆก็ได้ชื่อว่ารักษาบุญกุศลอย่างสูงเอไว้เมื่อรักษาบุญกุศลอย่างสูงไว้แล้วอย่างกลางอย่างต่ำอันนี้มันก็ชื่อว่าได้รักษาไว้ได้หมดเลยทีเดียว่ ไม่สูญหายไปไหนแล้วขอให้พยายามรักษาญาณความรู้ที่เราบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจิตใจของเรานิไว้ให้ได้อย่าให้เสือมเพราะว่าญาณความรู้ในขั้นนี้นะมันก็ยังเป็นโล ก, กิยธรรมอยมู่ยังไม่เป็นโลกุตระธรรมก่อนต่อเมื่อได้บำเพ็ญญาณความรู้อันนี้ มากมากเข้าไปจนกลายเป็นมัคคสมังทีได้แล้วอย่างนี้นะเมื่อนั้นแหละมันถึงจะละสังโยชน์คือกิเลสซึ่งมันคล้องอยู่ในจิตใจนี่นะให้ขาดออกไปเลยอย่างนั้นนะถ้าทีท่านเรียวกว่าบำเพ็ญสินก็จดเป็นอธิสินเป็นสินยิ่งบำเพ็ญสมาธิก็เป็นอธิจิต จิตยิ่งจิตสงบจิตหนักแน่นตั้งมั่นต่อกุศลทำอย่างเดียวไม่คิดไปทางอกุศลเลยอธิปัญญาปัญญายิ่งปัญญาความรู้ความฉลาดในธรรมของจริงคืออริยสัจจะทมทั้งสี่นี่นะที่ท่านเรียกว่าอธิปัญญาปัญญายิ่งนี่แหละอันนี้เมื่อเมื่อกระทำบาเพ็ญ